อย่างที่เราคิดก็เรียกว่าหาข้อถูกข้อผิดด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็ขาดครูบาอาจารย์หรือการะยะมิตรอยู่ใกล้ชิดเวลามันผิดแล้วก็ไม่รู้มันผิดเวลามันถูกก็ไม่ถูกเพราะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเมื่อเดินทางขาดคนชี้ทางขาดรู้เข้าใจแผนที่แล้วขับรถไปบางทีเราไปในถิ่นที่เราไม่เคยไปเนี่ยทมาเอง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 ตัวเองก็พัดผัวเข้ามาในเะมืองไทยเป็นคนเล่านะก็ท่านสอนกรรมฐ า, านก็บอกยมเจริญกรรมฐ า, านที่เจริญกรรมฐ า, านก็คนไม่เคยเจริญก็ต้องบอกกันบอกกันไปบอกกันมาก็เห็นใจกัน <laughs> เห็นไหมมันไม่นึกถึงป่าช้าทั้งเก้าเลคื <laughs> <laughs> อความเมตตาสงสารขาดปัญญาใช่ไหอันน้ที่สุด ก, ก็เลยไปด้วยกันนะ <laughs> เรียบร้อยอนยะ่างเงี้ย